Allahumma innana nasanuka inna fi an w อ r i z k a n taiban وعملا متقبلا يا رب العالمين Allahumma f a k h e h في الدين وعلمه تأوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปรานีจาก Allah s u b า a n a h u wa t a ประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอกุรณาทุกทุกท่านอัลฮัมดุลิลละเราอยู่ในส ah ุร์อัลอารอฟอายะที่หนึ่งร้อยยี่ส23าอายะที่หนึ่งรยี่สาม ขึ้นต้นอาย่าว่ากอลฟิราวหนูเอมาตุมบิฮีก็บลออาอันเอเดนละกุมนะอายะที่หนึยยี่สิบยูสที่เกาสุรลำดับที่7นะครับตอนนี้เราอ่านกันถึงยูสที่เก้าละ ก็เกือบจะได้หนึ่งส่วนสามละนะครับ10นะยุทธก็จะได้หนึ่งส่วนสามก็อัลฮัมดุลิลละนะครับก็เรียนกันมานานพอสมควรนะครับนะก่อนอื่นก็เริ่มต้นด้วยกับซูรา ah, นะอัลฟาติฮะหรือซุร Al ่าอัลฮัม เดวโซรออซซอลาก็ได้มีหลายชื่อในกันนะครับหนึ 123. ออ่งอยี่สิสาะอุบิลเาฮิมินชัชชยตอนิรราชม ب سم الله الرحمن الرحيم a l h a د ل u l ر l l a h i r م ي ن ا ل ر ح م m ا ل ر ح ي a มัลกิยามิดดินอียาคาน عبد وإياكناستعين إهدين ا, إ, إ, إ, إ ل ร ر ّ ا ط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب غ, الم غ عليهم ولا الضالين อามนอา <ت ص في ق> عوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فرعون آمنتم به قبل ل َ أن آ ذ ن لكم قال فرعون آمنتم به قبل ل َ أن آ ذ ن لكم إن هذا لمكر كَرْتُمُهُ فِي الْمَدِينَةِ إ ِ ن َّ ه ََ ل َ م َ ك ْ ر ُ م كَرْتُمُهُ فِي الْمَدِينَةِ ل ِ ت ُ خ ْ ر ج ُ مِنْهَا أ َ ه ْ ل ه َ ا فَسَوْفَ تَعْلَمُنَ ل א أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. แล้วฉันจะ ي ัดแขนและขาของคุณออกจากความขัดแย้งจากน้นฉันจะให้คุณเป็นคนที่ดีที่ส قالوا إن إلى ر ب ّ ن ا م ق َ ل ب و ن ว่ามาตักมุมินัَ ن ่าอันอัมนะบิอายาติรับบินะว่ามาตักมุมิน إلا أ ้ آ م ันอัมมันนบิอัลยัติรับบินา อั علينا ص ب ر ا وتوفنا مسلمين บานาฟริก علينا ص ب ر ا وتوفنا مسلمين อะมาดูความหมายกันนะครับ ครั้งที่แล้วเหล่าบรรดานักมายากรต่างยอมศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลซึ่งเป็นพระผู้อภิบาลของมูซาาและก็ฮารูนคราวนี้แผนมันก็เริ่มพลิกแล้วเพราะว่าฟิรโรนเนี่ยกล่าวว่ายังไงนบีมูซาน่าจะแพ้เพราะว่าไปรวมเหล่าบรรดานักมายากรมาจากทั่วเสือระทิต คัดแต่มือดีๆมาทั้งนั้นพูดง่ายๆว่าเอามารุมเลยแหละมีคนเดียวแต่สู้กับหลายคนเอามารุมกันเนี่ยนะปรากฏว่างูของนบีมูซ่าเนี่ยได้เกลืนกินไม่ว่าจะเป็นเชือกหรืองูปลอมพวกนี้ยทั้งหมดเลยทําให้เรานักมายากลที่มาเนี่ยได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าอันนี้ไม่ใช่มายากล น, นี่คือความมหัศจรรย์หรือมอดีษฎ์ของพระเจ้า อ่าขออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละก็ลงสุยุตยอมรั บ, รบนะเชื่อศรัทธาเลยเพรากฏว่าฟิรูนก็เลยกล่าวบอกว่าก็ลฟิราอวน์อามันตุมมนต่มบีฮีก็และอันอาเจนและกุม้มฟิรูนกล่าวกับเหล่าบรรดาผู้ที่เป็นนักมายากลว่าพวกเจ้าเนี่ยศรัทธาต่อเขาเนี่ยก่อนที่ข้าจะเอาอนุมัติแก่พวกเจ้ากันนั้นหรือ ในมุมตรงนี้นะพูดถึงความโอหังของิรโรนที่ไม่ยอมให้ใครไปกราบไหว้สิ่งอื่นบังคับเลยทุกคนจะต้องกราบไหว้ตัวเองเนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นรับบุกุมุลอาลานะเป็นพระเจ้าสูงสุดนะอ่าเฟโรนเนี่ยบอกว่ามันนี่นะเป็นนะอาณาลบบุกุมุลอาลามันคือพระเจ้าสูงสุด ดังนั้นเมื่อเป็นพระเจ้าสูงสุดไม่มีสิทธิใดๆทั้งนั้นที่จะไปกราบไหว้สิ่งอื่นต้องกราบไหว้มันเท่านั้นอันนี้หมายถึงฟิลูนนะประกาศตัวอินนาฮาลามักครุมแท้จริงนี่คืออุบายหนึ่งมักครุมตรงนี้หมายถึงอุบายเป็นการวางแผนมาแล้วมกากรตูมูฮูฟิลมาดีนะเป็นการวางแผนเอาไว้ในเมืองหมายความว่า ก่อนที่จะทําการประลองกันเนี่ยพวกนักมายากลกับนบีมูซาเนี่ยไปวางแผนไวลาเพื่อจะตบตาฟิลโอนนะแล้วก็ทําเป็นเล่นเนียนด้วยนะน่ะจะต่อขอลงวงของรางวัลอย่างดีเติงจริ ง, รงเนี่ยเตรียมกันมาแล้วนัดกันมาแล้วในนี้ฟิลโอนบอกสาเหตุคืออะไรฟิลมาดีนาลีตุครีจูมินฮาอะลาฮาเพื่อที่จะขับไล่ชาวเมืองให้ออกไปจากเมืองเสีย เนะเพราะว่าข้อเสนอของนบีมูซาก็คือจะพาบันิสรออินเนี่ยออกไปและพวกเขาก็จะได้รู้อ่าตรงนี้เองมูซาเนี่ยมีชัยชนะเหนือพวกเจ้าในวันนั้นเนะเพราะอะไรเพราะว่าพวกเจ้าเนี่ยได้ทำการปรึกษาหารือกันแล้วยินยอมกันมาก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งดีฟิโอนและผู้ที่มีสติปัญญาต่างก็รู้ดีว่าไอ้เรื่องที่พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โกหกหมดเท็จเท่งนั้นแหละเพราะว่านาบีมูซานับตั้งแต่เดินทางกลับมาจากเมืองมาดยันงงไหมที่ไปนบีมูซาไปเมืองมาดยันก็ตอนนั้นหนีคดีอะที่ไปห้ามห้ามคนทะเลาะ ก, กันถ่องไปคนหนึ่งตายพอตายเสร็จไปตวเตตายเสร็จปุ๊บก็รู้แล้วว่าฟิโอนน่าจะเอาเรื่องอยู่ก็เลยหนีไปที่ เมืองมาดยันนะหลังจากนั้นก็มีคําสั่งให้นบีมูซาเนี่ยหวนกลับมาสู่อียิปเพื่อที่จะมาเรียกร้องอ่าให้ฟิราโอนเนี่ยรับอิสลามก็นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับมาจากเมืองมาดยันเนี่ยก็มุ่งเรียกร้องเชิญชวนให้ศรัทธาต่อรอโดยนามวยีซาดนี้แหละมาเป็นหลักฐานการเป็นศาสนทูตที่แท้จริง จนกระทั่งฟิรอรนั้นได้มีบัญชาให้หัวเมือนแคว้นต่างๆเนี่ยภายใต้อาณาจา ก, การปกครองได้รวบรวมบรรดาเหล่านักมายากลต่างๆในทั่วอียิปต์ผ่านกันคัดเลือกแล้วคัดเลือกอีกนะโดยที่ฟิรอนและเหล่าขุนนางเนี่ยก็จะได้สัญญาว่าถ้าเอาชนะมูซาได้แล้วเนี่ยจะมีรางวัลที่งดงามให้นะคำถามว่าแล้วนบีมูซาจะไปนัดเจราจาตอนไหนอะ ไม่มีไม่มีใครในหมูนักมยากรเนี่ยรู้จักหรือมักจีกับนบีมูซามาก่อนพ่ออะไรพราะนนบีมูซานี่เพิ่งมามาจากเมืองมาดยันนะแต่ไอาการที่ฟิรูอนพูดแบบนี้เนี่ยเพื่อเป็นการโน้มน้าวให้ประชาชนเนี่ยไม่ไปหลงไม่ไม่ไม่ไปศรัทธาต่อสิ่งที่นบีมูซาประกาศก็เลยแก้เกี่ยวนะบอ ก, บอกต่อว่างไง นี่คืออุบายที่วางกันไว้แล้วซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนักมวยกนเนี่ยไม่รู้จักนบีมูซากันเลยนะไม่ได้มีการไปประชุมแบอะไรทั้งนั้นเลยอะต่อมาเสร็จแล้วฟฟรโอรูนก็บอกว่าลาอุกตติอันไอเดียกุ้มข่าสาบานลามตอนนี้ลามลิงกอซัม หมายถึงสาบานเลยพูดอย่างเอาจริงเอาจังแน่ว่าทำจริงๆถ้าพูดว่าฉันสาบานนี่แปลว่าเอาจริงแน่ไม่ใช่แค่ขู่เอาจริงเลยจะทำอะไรจะตัดมือตัดเท้าของพวกเจ้าเนี่ยสลับกันอ่ในตรงนี้บอกว่าตัดมือขวาและเท้าซ้ายแล้วก็ตัดมือซ้ายแล้วก็เท้าขวาหรือเท้าขวาคือตัดข้างใดข้างหนึ่งแนะ่ไม่ได้ตัดสองข้างสมมติถ้าตัดมือขวา ก็จะไปตัดเท้าซ้ายถ้าตั ด, ตด ม, มือซ้ายก็ไปตัดเท้าขวาอ่าสลับกันมินคีลาฟินอ่าคือตัดสลับด้านกันนะครับแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อก็เอาไปและอุซ่อลีบันนกุมเอาไปแขวนประจานเอาไว้เอาไปตรึงประจานถามว่าทำไมถึงไม่ยอม ให้ฆ่าให้ตายเลยเพราะการทำให้ตายเลยเนี่ยมันไม่เป็นการทรมานตัดแล้วให้เลือดเนี่ยค่อยๆไหลไปเรื่อ ย, อยจนหมดตัวแล้วก็ค่อยเสียชีวิตไปเ ป, เป็นการทรมานอย่างมาก <laughs> ให้ตายแบบทรมานที่สุดถ้าตัดคอปุ๊บตายเลยไม่ได้ทรมานแล้วการเอาศพมาแขวนเนี่ยมันก็มันก็เป็นการประจานแต่มันไม่ทรมานเลวเพราะว่าคนตายตายไปแล้วแต่อันนี้ให้คนเห็นเลยว่า กำลังจะตายไปยังไงค่อยๆขาดน้ำหน้าค่อยๆซีดเลือดค่อยๆไหลจนกระทั่งหมดตัวนะนี่คือความโหดร้ายของฟิโรห์อุน่นที่ทำต่อผู้ศรัท ธ, ธาดังนั้นเขาบอกว่าคนแรกอิม บ, บาร์บอกคนแรกที่ทำการเสียบประจานตัดมือตัดเท้าสลับกันคนนั้นคือฟิโรห์อุ่เป็นคนแรกเลยที่มาของการประหารที่โหดร้ายที่สุดก็คือคนแรกก็คือฟิโรห์อที่ทำในสมัยนบีมูซา ก็หลังๆก็มีคนทําตามครับอ่าเสียบประจานนะอ่ะต่อมาพอได้คิดได้ยินคำพูดของฟิโนเนี่ยแล้วนีไม่ได้ครูนะทำจริงแน่นอนเพราะมันบอกว่าสาบานเลยเราบรรดาผู้ศรัทธาก็บอกว่าที่เป็นนักรรยากลก่อนหน้านี้นะกอลูอินนาอีลารบบีนามุนกอลีบูน พวกเรากล่าวว่าแท้จริงเราจะกลับไปยังพระผู้อภิบาลของเรานะบอกต่อว่าวามาตันกมมินาอิลลอันอามนาบิอายาติรบบนาลมาจาอัตนาและท่านจะไม่แก้แค้นนอกจากว่าเราศรัทธาต่อสัญญาต่างๆคือกำลังจะบอกว่าไอ้ที่โดนแบบเนี้ย ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปทําร้ายท่านสมมุติคนคนหนึ่งที่โดนตัดมือตัดเท้าเนี่ยจากสาเหตุการไปทําร้ายคนอื่นยกตัวอย่างนะไปป้นสดมเนี่ยอันนี้โทษโดนตัดมือตัดเท้าไปป้นสดมเขาไปฆ่าเขาตายและถูกประหารเนี่ยคำถามว่าไอเนี้ยมันคือสิ่งที่สมควรได้รับไหมใช่เพราะคุณไปทําเขาก่อนเมื่อไปก่ออาชญากรากรมอาชญาเป็นอาชญากรก็ต้องถูกประหารแต่ถามว่าเราบรรดา นักมายากล น, นี้เนี่ยไปฆ่าใครตายไม่มีแล้วพอประลองแพ้ก็เท่านั้นแหละแพ้ก็มีแข่งกันมีแพ้มีชนะแต่เหตุที่โดนแบบนี้เนี่ยเพราะเราศรัทธาใช่ไหมเพราะเราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อลอต่ อ, ตอสัญญาณที่นบีมูซานํามาบอกใช่ไหมถึงโดนตัดมือตัดเท้าถึงโดนประหารไม่ใช่ประลองแพ้นะประลองแพ้นี่ไม่เท่าไหร่ประลองแพ้นี่เฉยแต่ที่ฟินอูนยอมไม่ได้ก็คือไปศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตาล่ นี่และเสียหน้ามากนอกจากเราศรัทธาต่อสัญญาต่างๆแห่งพระวิบาลของเรานั้นและเมื่อได้มาอย่างเราโอ้พระเวิบาลของเราจะอัตนาแปลวัดมาถึงเราแล้วเมื่อสัจธรรมมาถึงไม่มีทางเลยครับที่เราจะปฏิเสธได้เลยเพราะจะปฏิเสธเมื่อไหร่เราก็กลายเป็นผู้ที่ทําผิดใช่ไหมทาบาปมีทางเลือกทางเดียวคือต้องศรัทธาเท่านั้นเพราะตอนนี้สัจธรรมมาแล้วโอ้ a ล l a h Rabbana อฟริกอไลนาซอบรอโปรดได้เทความอดทนลงมาบนตัวเราได้เถิดใช้คำว่าเทเลยนะพี่น้องผมบอกไปแล้วไม่ใช่รินไม่ใช่โปรยรอมานี่ ok ใช้คำว่าโปรยแต่ซอบัตินี่ต้องใช้คำว่าเทเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบททดสอบที่ฉันกำลังจะโดนเนี้ยมันคือบททดสอบที่รุนแรงมากในดุนยาก็คือการทรมานจนตายนะ ให้เทความสวัติออกมาและโปรดให้เราตายในฐานะที่เป็นมุสลิมด้วยเถิดให้เราตายในฐานะที่วัตะวะฟะนะมุสลิมีนนะครับมีอีกอญญายะหนึ่งนะที่นุกษีได้เอามาเอามาไว้ในบทนี้ด้วยก็คือในสุรตาหา์ฮาอายะที่72และ75ห เป็นการสนทนากันช่วงที่ประหารฟากอดมาอันตะกอดินท่านจงทำตามสิ่งที่ท่านต้องการจะกระทาเถิดคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยกลุ่มแรกเลยนะก็คือกลุ่มที่มาตอนแรกยังไม่ศรัทธาเนี่ยพอพอมาประลองกั บ, บินมุมูซาศรัทธาเนี่ยบอกว่าฟิตรูนเธอเนี่ยเธอเ่ เกเน่นะจะตัดสินยังไงก็ตัดสินมาเหอะไม่ต้องมาเกีงใจตัดไปสินไปเลยบอกว่าไงอินนามาพอกดษีเพราะแท้จริงเนี่ยท่านจะทําหน้าจะตัดสินสินได้เนี่ยฮาดิลัยยะตัดดุนยาก็ตัดสินได้เฉพาะแค่โลกนี้เท่านั้นแหละโลกหน้าท่านไม่มีสิทธิ์มาตัดสินฉันเอาเลยจะตัดสินอะไรจะให้ฉันทรมานขนาดไหนตามสบายเพราะทําได้แค่โลกนี้เท่านั้น เออพี่น้องดีไหมเวลาใครจะดั ง, งกงระเกะเรานี่ยนะมันก็ทําได้เฉพาะโลกนี้แหละโลกหน้าเราได้แล้วโลกหน้าเราก็ได้ได้รับความยุติธรมเราจะถูกอาธรรมกันอะไรก็เฉพาะโลกนี้เราจะไม่เดินสองโลกโลกหน้าเราสบายโลกนี้อาจจะโดนบททดสอบหนึ่งสองสามสี่ฮาดิิลฮัยยะตะดุญะนี่คือโลกดุนยานี่คือชีวิตการมีดีวะอินนาอามันนาบิรับบีนาเลียฟิโรแลนาคอตอยาณา อแท้จริงเราได้ศรัทธาต่อพระบวญบาลของเราเพื่อพระองค์จะได้อภัยความผิดต่างๆของพวกเราให้แก่เราว่ามาอัครห์ตานาอลหมินัสซรมินัสซรี و ลอฮฺยรุอาบกอและทรงอภัยในการที่ท่านเนี่ยบังคับให้เรามากระทำเกี่ยวกับเรื่องมายากลเพราะถ้าไม่ยอม สมมุตินะถ้าไม่ไม่ตัดสินประหารเนี่ยฟิโอนมันก็บังคับอ่บาบังคับให้ทำมายาโกนี้ต่อไปก็ต้องอยู่กับความผิดแบบนี้ต่อไปนะซึ่งไอาการตายของเราเนี่ยมันคือการที่เราหลุดพ้นจากการทำความไม่ดีต่างๆที่จะมีชีวิตต่อไปเพราะมันไม่ปล่อยอยู่แล้วและอัลลอฮ์ก็ทรงรู้ดียิ่งและทรงยั่งยืนตลอดไปอินนาฮูมันยะติรบบะฮูมุด มัจารีมันฟะอินนาฟอินนละหูจะฮันนมาลายามูตุฟีฮาวลายะฮยาความจริงผู้ใดมาหาพระผู้อวยบาลของเขาในสภาพที่กระทำความผิดแน่นอนเขาจะได้นรกเป็นสิ่งตอบแทนโดยที่เขาจะไม่ตายและไม่เป็นในนั้นคือจะอยู่แบบทรมานไปที่สุดไม่ตายนะ และก็ไม่ได้หยุดคือหมายว่ามัน ไ, ไม่มีการสิ้นสุดเกิดกับตายเนี่ยมันคือการเริ่มต้นและสิ้นสุดถูกไมเกิดก็คือเริ่มต้นตายคือสิ้นสุดไม่มีเกิดไม่มีตายก็หมายถึงว่าอยู่แบบนั้นตลอดไปเลยและผู้ใดที่มาหาอัลลอฮ์โดยศรัทธาเขาก็จะอยู่ในความดีต่างๆนั้นชนเหล่านั้นแหละจะมีตำแหน่งที่สูงส่งก็จะอยู่กับความสุขไปตลอดนะคาพูดของ พวกนี้บอกว่าเท่ากับว่าตอนเช้าเนี่ยเขาเป็นนักมายากลในตอนเย็นเขากลายเป็นผู้ที่สตายชฉลี่ชั้นเยี่ยมแปลว่าเป็นการตายในฐานะผู้ปกป้องศาสนาของลออิโนอับบาสต่อกล่าวต่อว่าในตอนเช้าพวกนักมายากลยังเป็นผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์อยู่เลยพอตกเย็นเขากลายเป็นผู้ที่ศรัทธานะัที่อัลลอฮ์ตาละและก็ได้รับเฉลี่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของนักมายากลที่ผันตัวเองกลายมาเป็น ผู้ศรัทธาต่อลอเล็กก็ได้รับการลงโทษนะที่ฟุตอนแต่ว่าได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะที่ออลลอฮฺสุบฮานาะฮฺวาตาลาอ่ะ <c oughs> อานต่อนะครับในอายะที่ร้อยยี่สิบเจ็ดกาว่กอละลมะลาอุมิกลมิฟิร์ยงอนะอาตตารูมูซา وَكَوْمَهُ لِيُفْسِدُ و ا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ و َ آ ل ِ ه َ ت َ ك َ وَكَوْمَهُ لِيُفْسِدُ و ا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ و َ آ ل ِ ه َ ت َ ك َ قَالَ سَنُقَدَّ. ติลุออาบนาอะฮ س มวะนัสต์ฮีสา وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ َ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُوا อินน์ะ ل ่ะรดะลิละฮิยุริษุหะไมยชอุมิงิบ ادي والعاقب تل المتقين ق, ل ق ا ق ل و ا الذين َ ب ل أن ت ي َ ن ا و م ب ْ د ما جتنا م ِ ب ا ق ا ل ع س ر ب ك م أ ي ه ل ك ع د و ك م ق ا ل ع س ى ر ب ك م أ ي ه ل ك ع د و ك م و ي س ت خ ل ف ك م ف ي ا ل أ ر ض ดิฟายูร่ตไมลนวาตกลุอริฟายูรต่มลุนลล อ, าา ม, นอมาดูความหมายอะสำคัญอีกตัวละครหนึ่งก็คือเหล่าบรรดา เสนาอัมมาดอ่าดังนั้นเนี่ยในหลักการศาสนาของเราพี่น้องครับการปรึกษาหารือนี่ถือว่าเป็นหลักการศาสนาอ่าต้องมุชาวรอจะทํางานใหญ่เนี่ยหัวเดียวกระเทียมรีบไม่ได้ต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันแต่สําคัญที่สุดกว่านั้นก็คือว่าไอ้คนที่ปรึกษานี่จะต้องเป็นคนที่ใช้ได้ด้วยนะไปปรึกษาเรื่องครอบครัวกับคนที่ ดูละครเยอะก็ะยุ่งเหมือนกันพี่น้องเดี๋ยวมันก็เนะนําให้ิวเอาน้ํากดไปศาสตร์<笑><笑>เห็นไหมปรึกษาผิดคนแทนที่จะได้รับความดีกลายเป็นยุสง่งไอ้นี่ก็เหมือนกันฟิโอนเนี่ยรอบสหายของเขาเนี่ยรอบตัวเขาเนี่ยหามาอย่างงี่กอรูนอย่างงี่เหล่าบรรดาหัวโจกเท่านั้นอยู่รอบใครเขา ไอตัวเขาตัวลำพังอย่างเดียวก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเจอสหายเจอคนรอบข้างเข้าไปอีกบรรดาผู้นำของกลุ่มชนของฟิร์อุนได้กล่าวว่าบอกว่าไงท่านจะปล่อยมูซาเนี่ยอยู่แล้วกอลัลมาลาอุมินเก้ามิฟิร์อูอัตตาารุมูซาว่าเก้ามาหู บรรดาผู้นำจากกลุ่มชนของฟิรโรนได้กล่าวว่าท่านจะปล่อยมูซาและพวกพ้องของพวกเขาไว้เพื่อก่อยุบซีดูก่อความเสียหายในแผ่นดินวัยยร์กะวัอาลีฮะเตกแล้วก็ละเมิดต่อท่านนะและก็ละเมิดต่อท่านและบรรดาที่เคารพสักการะของท่านกันนั้นหรือ มินอำนาจฟิโอูนท้าทายอำนาจฟิโอูนและแถมยังท้าทายสิ่งที่ฟิโอูนนั้นทำการเคารพสการะพี่น้องรู้ไหมฟิโอูนเนี่ยมันก็มีเจเวต ร, รูปปั้นใหญ่เหมือนกันอย่าว่าแต่วันให้กาบมันตัวเดียวนะคนเดียวนะมันยังมีเจเวตดด้วยก็คือเป็นรูปวัวเป็นวัวตัวใหญ่เลยให้คนเนี่ยมากาบไหว้มีทั้งเจเวิดด้วยแล้วกาบไหว้มันด้วยแ แล้วมันก็ตั้งตัวพระเจ้าแต่มันใหญ่สุดไงคือมันมีพระเจ้าหลายตัวอะไรตัวเป็นลูกปั้นเนี่ยเป็นเจเวิเนี่ยมันมีหลายพระเจ้าแต่ว่ามันเนี่ยเป็นเป็นอาลาเป็นพระเจ้าสูงสุดมันไม่ว่านะใครจะไปกราบลูกปองลูกปั้นไม่ว่าแต่ว่าต้องกราบมันด้วยแล้วมันสูงสุดใหญ่กว่ารูกปั้นอันนี้คือฟิรเอาเนี่ยต่อเขาฟิรอูนก็กล่าวว่ากล่าวตอบกับใคร เสนาอัมมาต์ต่างๆคนอยู่ข้าว่าเราสนุกติลูอบนาอาหุมเราจะฆ่าบรรดาลูกชายของพวกเขาไวยัสตาฮีนิซาอาหุมแลก็จะไว้ชีวิตบรรดาลูกผู้หญิงของพวกเขาไวอินนาฟาอกอหุมกอฮิรูนแท้จริงเราเนี่มีอำนาจเหนือพวกเขาเพราะสามารถสั่งเป็นสั่งตายได้ อันนี้ย้อนกลับไปว่าฟิตรูนเคยทำมาแล้วรอบหนึ่งไอ้ที่ฆ่าลูกชายแล้วก็ปล่อยลูกสาวเนี่ยตอนไหนอะตั้งแต่ตอนนบีมูซายังไม่ได้เกิดเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีโหนทายทำนายทายทักว่าจะมีเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำการลบมาม า, มาทำลายอำนาจมามาท้าทายอำนาจของฟิตูนก็เลยสั่งเลย บ้านไหนที่มีลูกชายให้เอามาประหารทิ้งให้หมดทำมาแล้วรอบหนึ่งนี่จะทำอีกใช้สูตรเดิมมีแล้วแต่ว่านาบีมูซารอดเพราะอะไรเพราะว่าคุณแม่เอาไปลอยน้ำจำได้นะเอาไปลอยน้ำน้าก็ลอยทวนน้ำไปอยู่ในวังเนี่ยก็กลายเป็นว่าฟิตรูเนี่ยเลี้ยงแต่แหละเลี้ยงกันอยู่งั้นแหละก็โตขึ้นมาแต่ด้วยกับการกำหนดของลอตาล่ะ อ่ะพอเจอคําแบบนี้เข้าไปโอ้โหฝั่งอะไรฝังอะไฝั่งบันนีสออีนก็ใจเสียดิใช่ไหมจะโดนฆ่าเล้วแล้ว ก, ก็เด็กเนี่ยคือทําไมไม่ฆ่าผู้ใหญ่ทําไมไม่ฆ่าผู้ใหญ่ระหว่างฆ่าผู้ใหญ่กับฆ่าเด็กอันไหนมันสลดกว่าฆ่าเด็กกับทำร้ายจิตใจมากกว่านะ เด็กเพิ่งคลอดออกมาไม่รู้อีนี่อะไรเอาไปฝับเข้าไปเนี่ยโอ้โหไอ้นี่มันสุดจริงจริงไอ้ฆ่าผู้ใหญ่เนี่ยมันก็มันก็ใจร้ายนะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันไม่รู้สึกสะเทือนใจเท่ากับกับเด็กเข้าใจไหมทำไมเลือกฆ่าเด็กเออไม่ไม่ฆ่าผู้ใหญ่มันต้องการให้พวกเนี้ยทรมานจิตใจโ อ, อ้โหพี่น้องคิดดูนะฆ่าเด็กไม่รู้อีโนโอีนอะไรนั่นการฆ่าเด็กเนี่ยถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ไม่มีใครรับได้รุนแรงมาก หมารู้ว่าคุณจะรบกันนะปิงปางัางไงแต่ไปมีเมื่อไหร ไ, ไปขาว่าไปฆ่าเด็กเมื่อไหรไปฆ่าคนในโรงพยาบาลเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีใครรับเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ป่าเถื่อนมากมแล้วฟิดอูเนี่ยทํามาเลวเอาต่อมาก็ลาโมซาลิกามีฮิตาอีนูอ่าเวลามีเรื่องอะไรมากระทบทจิตใจรุนแรงเนี่ยนบีมูซาบอกว่าลีกล่าวกับกลุ่มชนเขาว่าอิสตาอีนูบิดแลแปลว่าอะไร ให้ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์พี่น้องผูม้มีหมันทั้งหลายนี่พูดพวกเรานะี่ยบางทีขอมากจริงๆเวลามีปัญหาอะไรนึกถึงอย่างอื่นก่อนเลยปล่วยปั๊บนึกถึงยานึกถึงหมอก่อนแต่ก่อนที่จะนึกถึงหมอเนี่ยให้นึกถึงอัลลอฮ์ก่อนได้ไหมอ่าเพราะเราต่อให้เราไปหาหมอดีขนาดไหนถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติให้หายก็ไม่หายแต่หมอเป็นสบับสาเหตุ นะทุกอย่างเวลาจะทําอะไรเนี่ยเราจะแก้ปัญหาโดยการนึกถึงคนก่อนเช่นมีข่าวว่าเฮ้ยไอ้นี่มันจะมาดักกระทืบเราโทรหาผู้มีที่พนเลยเฮ้ยบงังเอากาดไปทีปกป้องฉันหน่อยแต่ก่อนจะโทรหาบังเนี่ยไปละหมาดไปทบทวนตัวเองอ่านอัสการบา้างเปล่าละมงละหมาดครบเปล่าอไอ้เหตุที่เรามีคนจะมากระทืบเราเนี่ยเพรอเราเนี่ยห่างไกลศา ส, สนาเปล่าไปเมาหัวดาษไหมคนเขาหมันไส้หรือเปล่า ใช่ไหมดังนั้นเวลามีหหตอะไรอิสตาอีนูบิลล์ขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ก่อนและไม่ผิดถ้าเราจะไปขอความช่วยเหลือจากคนเนี่ยมันก็ไม่ผิดเป็นสบับสาเหตุพอล้อก็จะส่งคนนั่นแหละมาเป็นอะไรมาช่วยเหลือเราอีกทีหนึง่งวอสบีรู และในขณะที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยอย่าตีโพยตีพายอย่าวอยไวอย่าฟันงวงฟันงาให้ทําไงวัสบีรูอดทนสอบัตนิ่งเขาไว้รอคอยความช่วยเหลือจากลอส์นะบางคนอิสตาอีนูเหมือนกันขอความช่วยเหลือจากลอส์จริงแต่ก่อนจะขอความแต่ช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยไม่รอไม่อดทนไม่สอบัตไม่นิ่งไม่ดึงสติเอาไว้ อินนัลอารุอริลฟิรูนอ่านาบีมูซาบอกว่าไงแท้จริ ง, แ ผ, นนงแผ่นดินเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์แผ่นดินน่มันจะเป็นของฟิรูนหรอกอันนี้รวมถึงแผ่นดินที่เราเป็นเจ้าของชนดด้วยนะโอ้โหบางคนในี่ภูมิใจนะชนดไม่รู้เท่าไหร่ชนดเยอะเต็ไมไปหมดเลยให้รู้ไว้เถอะของอัลลอฮ์เราแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการเท่านั้นแหละ เอา้าอาจารย์ไม่ใช่ของเราไงก็ตายไปเอาใส่ลงไปได้ไหมล่ะเออใส่ไม่ได้ไม่ใช่ของเรานะคือเรามาดูเลบริหารนะถามว่าอยากมีที่ดินเป็นของตัวเองไหมยอยากมีแต่มันก็ต้องโอนถ่ายไปเรื่อยๆืเราไม่เป็นเจ้าของตลอดเราตายปั๊บกลายเป็นมรดกให้กับลูกไงหลานไปนะไม่มีปัญหาแผ่นดินไม่ได้เป็นของใครเป็นของอัลลอ ยูร uh ิสุฮาไมยะชาอุมินไอบาดีซึ่งพระองค์จะให้มันเนี่ยสืบทอดอยู่สิสุก็เป็นมรดกะสืบทอดเปลี่ยนมือไปแก่บันดา <c oughs> ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบาวของพระองค์อ ัวลากรีบาตูลิ้นมุตตะกิีนและบ้านปลายย่อมเป็นของผู้ที่ยำเกรงทั้งหลายวันนี้อาจจะยังไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเรายือนหยัดศรัท ธ, ธาต่อลอตาล้าเนี่ยบ้านปายสุดท้ายเนี่ยเาลจะให้มีอำนาจกลับมาปกครองอีกทีหนึง่งหรือมีอำมาจดูแลแผ่นดินตรงนั้นแต่สำคัญคือว่าเราอย่าได้ทิ้งความยำเกรงต่อลอตาละก็จริงๆนะพี่น้อง สังเกตได้ว่าไอ้ที่มุสลิมเราที่มันหลุดหลุดไปเนี่ยส่วนใหนก็ไม่เอาศาสนาเล่นพนันหลุดไปเพื่เส้นๆ เ, เ, เลยบุก่อนที่มุสลิมเยอะไอ้ที่หมดเนะี่ยไม่ใช่ได้ขายนะไปเล่นการพนันพอเล่นการพนันก็ไปแล้วหนึ่งเส้นสองเส้น ส, เ ส, นสมเส้นไอ้ที่ขายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาไปต่อขายที่ต่อที่เขาขายในเมืองเขาก็ไปซื้อไว้แถวแครายหนนแถวคลองสิบเจ็ดแถวคลองยี่สิบสองอที่ต่อที่แต่ไอ้ที่ว่า เสียพนันันเน่ยไม่ได้มีต่อที่อ่ะมีแต่หมดนะสังเกตดิเห็นไหมดังนั้นเนี่ยอลัลลอฮ์บอกว่าถ้าเรายำเกงต่ออัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์ก็จะให้เราเนี่ยมีสิทธิกรรมสิทธิ์ในการบริหารที่ดินดูแลไปและที่มันก็จ ะ, จะเจริญงอกงามด้วยอาสังเกตนะผมเคยบอกว่ามีตระกูลหนึ่งอยู่ในเมืองอะ่ะที่ดินเยอะมากมีที่แถวพันาการด้วยตรงไหนด้ว ย, วยเพราะเมื่อก่อนเขาช่วยเหลือคนมากเลยมีใครเขาช่วยหมดบริจาคบริจาคช่วยเหลือ แล้วตอนหลังเนี่ยเขารับซื้อที่ไว้ด้วยเรื่อของเรื่องเนี่ยและซื้อที่ในราคาที่แพงให้ช่วยเหลือซื้อเพื่อซื้อเพื่อช่วยแล้วก็ไม่รู้เลยไม่เคยรู้เลยวันที่อยู่ไหนพอตายเท่านั้นแหละโอโ้โหโฉนดบานเลย๋มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะเพรอมก่อนเขาค้าไม้ตะกูลเนี่ยที่ดินเยอะเขาช่วยเหลือคนนะเอาล็อก็ให้บันปลายเพราะว่าที่มก่อนไม่มีค่าเลยแถวแถวนี้เป็นป่าหมดเกก็ซื้อไว้ซื้อเพื่อช่วยนะอืมอ่ะ ต่อมาอเล่าบอกว่าวกอลูพวกเขากล่าวว่าพวกเขาก็หมายถึงบันทิสรอยอูดีนามิงกอบลูดีนา่ากอลูอูดีนามิงกอบลพวกเขากล่าวว่าพวกเราได้รับการทารุนทั้งก่อนจากที่ท่านจะมาอย่างพวกเราแปลว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่นบีมูซาจะ เกิดมาเนี่ยบันิสรออินก็ถูกทารุนมาเละเป็นทาลมาก่อนแล้วและหลังจากที่ท่านมายังพวกเราเราก็ยังถูกทรมานกันอยู่อีกนี่คือความปากเปาะของพวกนี้นะนิสัยก็เป็นอย่างนี้แหละอไม่ไม่ค่อยซอบัดอดทนเหมือนกับเหล่าซอบ้าของนบีซอบ้านาบีไม่มีขอเก่งพวกเนี้ยเดี๋ยวก็จะเอานั่นเอานี่เอาน้ําตาลฟ้ามัง่งอะไรที่เราเรียนแบบนะเออ แล้วอะไรไม่ดีปั๊บก็จะบนแล้วกล่าวว่าหวังว่าพระผู้บริบาลของของพวกเจ้าเนี่ยจะทรงทําลายศัตรูของเจ้าแอบหวังว่าเนี่ยพระผู้บาลของเจ้าจะทําลายศัตรูของเจ้าและจะทรงให้พวกเราได้สืบแทนในแผ่นดินและพระองค์ก็จะทรงดูว่าพวกเจ้าเนี่ยจะทําอย่างไรอะจะปฏิบัติอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ พวกยโฮลดเนี่ยอพยพกันมาอยู่ที่แผ่นดินชามเพราะเขาบอกว่าเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเนี่ยนี่แหละเป็นเหตุที่ว่าทําไมเขามาอยู่นี่กระลบกันทุกวันนี้น่ะก็ยึดจากกระบอกเนี่ยมูซาเคยเป็นแผ่นดินของที่มูซาเคยได้รับพันธสัญญาแล้ดูมันบริหารสิโอ้โหน่ะไปดังแก่คนนู้นขาคนนี้เพราะว่าจะมีบอกว่าแผ่นดินตรงนี้ก็คือที่เมืองชามนั่นเองอ่ะ อันนี้ก็บอกนะจบยังเนี่ยและพระเจ้าจะสืบทรรษแผดดินในนี้บอกว่าและละเมิดต่อท่านและบรรดาเคารพสักการะนี่เขาบอกนั่นก็คือวัว น, นั่นเองเมื่อกี้พูดไปแล้วอ่ามีรูปวัวฟิตโตก็มีรูปปั้นเหมือนกันนะครับอ่าไม่มีอะไรละอ่านต่อสรุปว่ามันปล่อยไหมปล่อยมูปลย่ปลยบดีโซอินไปไหมไม่ปล่อยไม่ปล่อยเออไม่ปล่อยนะอ่าอ่านต่อไม่ปล่อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้น و َ ل َ قد َ أخذنا ََْ آل َ فرعون َِْ بالسنين ونا َ قصيم من َ الثمرات لعلهم ََُْ يذك ََّ แกรูนวันข้อศิลป์ในสวรรค์ที่ละอุนมยัน ك َّรُ و ن َ فإذا جاءتهم الحسنة ُ ق ا ل و ا لنا هذه วَาอุศบุหَมเสียทุยต่อยรูบ و ม م َ ن และ ع ม ه ข أ َ ل َา อินนามาทาอิรูหุมอินดอัลลอฮอะลัอินนามาทาอิรุห์มอินดาอัลลอฮฺ ولكنّك سارهم لا, ول لا يعلمون มาดูโทษนะหลังจากที่แพ้แล้วประลองก่อแพ้นะแทนแทนที่จะได้พวกกลับไม่ได้พวกมีพวกไปเพิ่มศรัท ธ, ธาต่อเอาล่อเพิ่มขึ้นอีกข่าก็แล้วประหารก็แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะนะเอาชนะพวกของมูซาได้สุดท้ายนี้ก็ใช้การดื้อเพ่งไม่รู้ว่าฉันจะบังคับจะฆ่า ทายาทายบันดาผู้ชา ย, ท, า ย, ชายทั้งหลายลูกชายทั้งหลายออกมาจะาฆ่าดังนั้นอัลลอฮ์ตายแลจึงว่าแลนะ้วก็อะคตนแน่นอนเราได้ลงโทษวงวันของฟิร์อรูลบิสซีนีนนะด้วยกับความแห้งแลง้งวอนักกซิมลกกาาแลนะก็การขาดแคลนการขาดแคลนมีนัสเมารอด ผ ล, ลไม้ต่างๆอพี่น้องต้องรู้ก่อนนะว่าพื้นที่ของอียิปต์เนี่ยมันมีแม่น้ำนะซึ่งแม่น้ำนี่เรียกแม่น้ำไนล์แม่น้ำไนล์มันไหลนะลุ่มแม่น้ำไนล์เนี่ยเต็มไปด้วยกับการทำการเกษตรซึ่งต่างจากมะกามักานี่ไม่มีผ ล, ลไม้ไม่ค่อยเยอะเพราะไม่มีแม่น้ำเลยมะกานี่ไม่มีแม่น้าเลยใช้ น้ำจากโอ伊ซิตก็คือพวกวาดีต่างๆไ ม, ม่แม่น้ำถ้าประเทศไหนที่มีแม่น้ำผ่านเนี่ยลุ่มแม่น้ำจะกลายไปที่อุดมสมบูรณ์ประเทศไทยเราเนี่ยโอ้โหไปต้องห่วงเส้นเจ้าพญาภาคเหนือเนี่ยตอนนี้น้ําท่วมภาคเหนือเนี่ยผักเริ่มขาดบ้างแล้วอ่าโมก่อนไปหาแตงโมอยู่แตงโมไม่มีบอกสวนสวนน้ําท่วมอ่าก็บ้านเราก็ทกําการเกษตรเพราะมีแม่น้ำเช่นเดียวกันไคโรเนี่ย หรือว่ากอฮิโรหรือว่าอียิปต์ไคโรเนี่ยก็มีแหล่งพ่อปลูกทำสวนอุดมสมบูรณ์มากอาลัลลอฮ์ลงโทษโดยการให้มันเกิดความแห้งแล้งก็คือไม่มีฝนตกอะ่ะนะไม่น้ำก็ค่อยๆไปไงแห้งไปเรื่อยแห้งไปเรื่อยแล้วก็ผลไม้ก็ขาดแขนปลูกไม่ขึ้นด้วยของเรื่องปลูกก็ไม่ขึ้นมันก็ปลูกไม่ขึ้นอลัลลอฮ์ไม่ให้ขึ้นปลูกไงก็ไม่ขึ้น นะเพื่อจะได้ลําลึกถึงอัลลอฮ์ตายและอ้าวมาดูนิดหนึง่งอัลลอฮ์ตาราลาบอกว่าจะทดสอบพวกเขาด้วยความแห้งแล้งคือให้ประสบกับความหิวโหยอันเนื่องมาจากความแห้งแล้งและการเพราะปลูกที่มันน้อยมุจาฮิดบอกว่าขาดแคลนผลไม้ตรงเนี้แม้กระทั่งต้นอินทาพัลมมุจาฮิดบอกนะอิบูฮิซาบอกจากรอจะแล้วก็อิมหนูะไฮาวาเนี่ยบอกว่า ขนาดต้นอินทผลัมที่เวลาใช้น้ําอินทผลัมจะใช้น้ําน้อยไหมน้อยนะใช้น้ําไม่เยอะผลัมไม่ต้องใช้น้ําเยอะเพราะเป็นพืชที่ขึ้นทะเลทรายขนาดอินทผลัมเนี่ยปลูกเนี่ยอินทผลัมยังไม่ออกแม้กระทั่งลูกเดียวและนับภาษาอะไรกับแผ่นแปะดีไม่ผ่านก่อมเรียบร้อยแล้วกรอบไม่เรียบร้อยอ่าแม้กระทั่งอินทผลัมเนี่ยยังไม่ออกลูกแล้วถามว่าปลูกประเภทอื่นเนี่ยผลไม้ที่ต้องการน้ําเยอะๆเนี่ยจะเหลือไหมไม่ออกอยู่แล้ว นะอ่ะดํารัดของลอที่บอกว่าเพื่อจะได้ดําลึกถึงอลลอก็คือพอเวลาเกิดความแรงแค้นขึ้นอดอยากจะได้นึกถึงว่าเออไอที่เราทำเนี่ยมันเป็นยังไงมันเลวร้ายไหมอลอทกำลังทดสอบเราหรือลงโทษเราอยู่ถ้าเราเป็นคนดีเราทดสอบแต่ถ้าเราเป็นคนชั่วนั่นแหละบ่นลงโทษจะได้ขวนคึขวนลําลึกถึง <c oughs> ตอนที่มีเครื่องปัจจัยยังชีพที่พร้อม ف ฟ إ ِ ذ َ ا ج َะโทมุสฮูมุล ح าร์เซนัครั้งเมื่อความดีมายังพวกเขาเวลาที่ไม่มีบททดสอบอะไรเราอยู่แบบสบายเลยนะอัลลอฮให้อิ่มตลอดบ้านก็ได้ได้ดีทุกอย่างดีหมดพวกเขาก็จะบอกว่านี่คือสิทธิของเราไอที่ฉันรวยได้นี่นะก็เพราะฉันขยันฉันเนี่ยหัวขยันแลฉันก็เก่งฉันเรียนมาเยอะอ่ะว่าไป เป็นนี่จึงเป็นความสําเร็จของฉันเนี่ยภูมิใจแต่ลืมไปเอาล้อให้แกเนี่แค่ส่วนหนึ่งพอพูดปุ๊บกระฉันทั้งนั้นเลยชี้ไปเนี่ยโอ้โนี่นฉันสําเร็จอันนี้นี่กับฉันฉันฉันสิทธิของฉันลืมไปนี่ไม่ใช่อ่ะสิทธิของล้อทั้งนั้นแหละหลงไงเวลาอะไรที่เป็นเรื่องดีบอกโอเนี่ฉันนะกอรูแลนะฮะดิวอินตุศิบาหุมไสยเอตุยต ยิยูบิมูซาวามันมาแต่ถ้าหากเป็นความชั่วใดๆมาประสบกับพวกเขาเขาบอกว่าอ๋อเนี่ยมาจากมูซาใช่ไหมที่บอกดีบ้านเมืองแห้งแล้งเนี่ยฟิลอุนประกาศเลยไม่ใช่มันดื้่นะมูซามูซาเนี่ยเป็นรางร้ายทำให้บ้านเมืองเป็นไงฝนไม่ตกแห้งแดงโทษมูซาเลยทั้งทั้งที่ตัวเองนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุใช่ไหมนี่ดูความ คนคนคนที่มันหลงอะนะบอกต่อออินเนมาตออโรฮุมอินดัลลอและผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาด้วยไอพวกนี้มันมาอยู่เนี่ยมันเป็นพวกที่สร้างความคืดอะไรนะเป็นลางไม่ดีแผ่นดินไม่สูงอะไรกว่าไปเดี๋ยวมีหลายคำแผ่นดินไม่เจริญว่าไปเพึ่งรู้เถิดว่า ที่จริงลางร้ายของพวกเขาที่อยู่ที่อัลลอฮ์ตาลาต่างหากไม่ได้อยู่ที่ใครเลยลางเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้อยู่ที่จริงจกใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่ตากระพริบอยู่ที่อะไรเยยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้เรามาโทษนู่นโทษนี่อ่าแม้กระทั่งคนความเชื่อบางคนนะกวาดบ้านเนี่ยเนี่ยกวาดไม่เป็นกวาดแบบเนี่ยเอาซับออกต้องกวาดยังไงไม่รู้ผมจะไม่รู้มาดูเลยต้องกวาดงี่ผมจะเอาซั์เข้า ฉันบอกว่าอ๋อไอ้ที่ไ <Jub> อ้ที่ใช่ออกเนี่ยเพราะไอ้ที่เงินออกเยอะเพราะว่าไปเอฟของเยอะไม่เกี่ยวหรอกเนี่ยเดี๋ยวก็มาส่งของเดี๋ยวมาส่งของใจอย่างเดียวเลยไม่เกี่ยวกับกวาดบ้านมันมหาเรื่องอ่ะประตูไม่รับทรัพย์ประตูนี่ต้องทําอย่างงี้ถึงจะรับทรัพย์อะไรของมันไม่รู้ไม่มีเลยพี่น้องครับในอิสลามทั้งหมดรางเป็นของลอทั้งหมดเราขอต่อรอจบตะวักันกับรอ อย่าไปอยู่นะไอันนี้ทางสามแพ่งอีกแล้วอ่าจริงๆรงอะ่ะสมัยก่อนอะ่ะอันนี้ผมเดานะผมมองว่ามันเป็นทางแยกอาจจะทําให้รถมาชนบ้านอันนี้เป็นไปได้สมมติมันอยู่ตรงโค้งเนี่ยไปปลูกบ้านทางโค้งเนี่ยเดี๋ยวพวกกระแหกโค้งมาอ่าไอ้ น, นี่เป็นไปได้อันเนี้เป็นเหตุเป็นผลแต่ถ้าไปว่าเป็นทางผีผ่านอะไรเงี้ยไม่ต้องไปยุ่งมันเรามีโดว์อยู่บ้านเนี่ยอยู่ไม่เจริญรอก เพราะว่าอะไรล่ะไปอยู่ทับเส้นทางผีเออฉันก็ว่าแกไม่ละหมาดเรื่องของเรื่องเนีะ่ะบ้านแกไม่มีละหมาดไม่มีกุรอ่านผีก็อยู่ยินมาอยู่เชยตอนมาอยู่ก็ลองอ่านกุรอ่านหน่อยสิละหมาดให้ดีดิมันจะไปอยู่ได้ไง อ, อัลลอฮฺหักบัดเนี่ยคนมันหลง่ง น, นะลางไม่มีพี่น้องลางอยู่ที่อัลลอฮฺอัลลอฮจะให้เกิดไม่เกิดอยู่ที่พระองค์ไม่เกี่ยวกับตาไม่เกี่ยวกับจิงจก อเลาะบอกไงต่อรางร้ายเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยรางร้ายเป็นของเป็นของพวกเขาเนี่ยอยู่ที่อเลาะต่างหากแต่ถ้าว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้จบอ่านต่อวะโกลูมะมะตะตีนาบีฮิมินอายะติลลิตัสฮารอนับบิฮะ فَمَنَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَفَمَنَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَفَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمْمَل والضفادع والدمايات مفصلات فاستكبروا وكانوا كوما مجرمين َ่าลَะม้าว่าก้าเขَใหُ้รรจ ي เข و س ูยาโมเสด لَنَا ر َ ب َّ ك ก قالوا يا موسى د ع ُ ل ن ا ربك بما عهد عندك ถ้าเงินَรกจะเล่นนุ่มนั่นนักแล้วคุณก็ชักถ้าเงินนรกَะเล่นนุ่มนั่นนักวَ่แลนร์สิเลนมาเก็บนิสรา ทีَมาคัชช์ฟ ن ه มรรจซาอีลาَาَลน์ห์มบาลิกุห์ ذ ิดะห์ห์มยา มาดูความหมายนะเมื่อกี้อะไรแห้งแรงไปแล้ววะกอลูมะมาตตีนาบีฮีและพวกเขากล่าวว่าท่านจะนำสัญญาหนึ่งสัญญาณใดมายังพวกเราเพื่อที่จะลวงเราให้หลงเชื่อต่อสัญญาณ น, นั้น เราก็จะไม่เป็นผู้ศรัทธาต่อท่านเราจะไม่เป็นผู้ศรัทธาต่อท่านอ่าก็ท้าทายนะเพราะว่าไอสันอ่าเขาเรียกอะไรเขาก็ไม่เชื่อนะเขาก็มองว่าไอที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยก็พามูซานั่นแหละไม่ได้มองว่าตัวเองดื้อต่อหรเสร็จแล้วท้าทายว่าจะมีสัญญาณอะไรอีกฟอาอันาแนลายฮิม อัลลอฮ์ส่งเลยและเราได้ส่งให้เกิดเกิดอะไรตูฟานตูฟานตรงนี้แปลว่าน้ําท่วมน้าําท่วมทําให้พืชผลละมา ผ, ผละบายเสียหายต่อหนักพอน้ําท่วมเสร็จพืชพันธุ์ธัญพืชก็เสียหายอเดี๋ยวจะมีเรื่องนะเดี๋ยวใจเย็นอ่านตรงนี้ก่อน เสร็จแล้วแล้วก็ อ, อีกอันหนึ่งวลกลุ่มอ่าวลจาโัดจาโรดนี่แปลว่าตะกะเตนแล้วเ้าก็ส่งน้าท่วมมาเสร็จปุ๊บต่อมาก็เป็นตะกะเตนกลุมม้านี่แปลว่าอะไร ก, กุมมกุ่มมันนี่แปลว่าเหาเหาจักเหาไหมจ๊ะเหาที่มันกินเลือดอ๋อเหรอ และเขาจะมีหวีสนิดหนึ่งหวีเสนียดอะเรียกว่าหวีเสนียดอะไม่น่าไม่น่ามีในบ้านเนี่ย <c oughs> <c oughs> ถูกไหม <c oughs> มันจะเป็นด้ามทีมากไว้หวีเหา <c oughs> อ้าหวีเสนียดดูชื่อสะก่อน <c oughs> นะ <c oughs> จำได้จำได้ <c oughs> แล้วก็เอาใบพุซรามาหมักผัว <c oughs> ไม่ใช่ใบพุทราใบน้อยนา <c oughs> ขอมาอัที ทันทันอยู่เอาใบพุทาอมน้ำตายแล้วเอาใบน้อยนามาหัวเนี่ยคนเป็นเหาสมัยก่อนเหามันกินเลือดแล้วก็ในรายงานบอกว่าแมลงดำๆกินเลือดฉันก็เลยนึกไม่ออกมันก็นึ่งเหาเนี่ยแหละโอ้กี่คนกี่คนโบราณเหรออืม มีเหาด้วยเหาอนี่ป้องกันยากนะเวาลามันเข้าไปมันก็คันก็ไปอยู่ที่หัวหรอฝุงเหาและก็วัดเดฟเดะหรือว่าเดฟดาเดฟดาแปลว่ากบฝุงกบและก็วัดดได้ามาแปลว่าเลือดมีมีกี่อย่างเนี่ยมีน้ำท่วมตะกระเดนเหาและก็กบ และก็เลือดสี่ห้าอย่างสี่ห้าห้าอย่างเนี่ยออยาติมมฟัโซลตินเอาเราส่งมานะเป็นสัญญาณอันชัดแจ้งแก่พวกเขาไม่ได้มาทีเดียวนะมาทีละอย่างเดี๋ยวเล่าให้ฟังมายัางไงฟัสตักบารูวานูเกามัมมุจริมีนแต่แล้วพวกเขาก็โอหังและกลายเป็นกลุ่มชนที่ทำผิดไม่ยอมด้วยนะ ไม่ยอมโดนขนาดนี้ก็ไม่ยอมวัลัมวาโกะอะไรฮิมุริจะจุกอุยามูซาเอโอเนารับแบกและเมื่อมีการลงโทษแก่พวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้มูซาขอต่อพระบุญบานของท่านให้เราให้แก่เราตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้เถิดตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ที่ท่านเถิดถ้าหากท่านได้ปลดเปลื้อง จากการลงโทษนี้เนี่ยให้พวกเราพ้นแล้วเราจะศรัท ธ, ธาต่อท่านแน่พ อ, อแพอเวลามันเจอแก้ปัญหาไม่ได้ขอกับมซาให้นบีมูซาขอต่อรอให้ภัยพิบัติเนี่ยมันพ้นไปแต่แล้วก็บอกไงแรกกับการที่เราจะศรัท ธ, ธาแอนคนเราเนี่ยพี่น้องแนะจริงจริงศรัท ธ, ธาเนี่ยไม่ต้องมีการแลกอะไรนะถ้าแลกเนี่ยมันดูไม่ศรัท ธ, ธาจริงอ่ะนองไหมสมบูรณ เอาตั้งไปล้านหนึ่งแลกกับ إ ม م ا ن อะไรเงี้ยอดูแล้วมันจะศรัทธาถึงศรัทธาเนี่ยอาจจะเป็นข้อพิสูจน์ก็ได้แต่แล้วก็ศรัทธาจริงโอเคอ่ามีข้อพิพสูจน์จนกระทั่งสิ้นข้อสงสัยแล้วว่าโลกนี้มีมีผู้สร้างโอเค ไ, ได้แต่ให้มันแลกอ่าถ้าถ้าออกไปนอกศาสนาที่ไม่ได้มรดกน ะ, ะมันก็ไม่ออกหรอก <laughs> มรดกแลกเปลี่ยนจะได้มรดกเอนี่ตัวอย่างมันก็ดูเหมือนจะศรัทธาจริงไหมเนี่ยมันมีมันมีข้อแลกเปลี่ยนเนี่ย จริงๆ เ, เวลาสัทธานเนี่ยเราได้อยู่แล้วก็คือได้ได้รับการดูแลจากลอสซูพานตลาอยู่แล้วนี้ยื่งใหญ่อยู่แล้วเอาต่อมาและแน่นอนเราจะส่งวงไวซรอยอินไปกับท่านเลยปล่อยเลยเราสัตยาไม่พอเราส่งวงไวซรออินไปเลยครั้งเมื่อเราได้ปลดเปื้องทุกเหล่านั้นแล้วตามที่กําหนดไปแล้วเนี่ยซึ่งพวกเขาก็ไปถึงกําหนดนั้นทันใดนั้นพวกเขาก็ผิดสัญญา <c oughs> อ่ามาดูนิดนึงนะ อิมนุอับบาสบอกว่าตูฟานก็หมายถึงน้ําท่วมหนักทําให้พืชผลเสียหายอิไรางานบอกว่าน้ําท่วมทําให้มีคนตายจํานวนมากมูจาฮิตบอกว่าอัตตูฟานเนี่ยหมายถึงเกิดน้ําท่วมและมีโรคต่างๆระบาดคําว่าอัลจารอสแปลว่าตักาเตนเป็นที่ทราบดีว่าตักาเตนเนี่ยกินได้กินได้นะ อ่าตัวไปเจอเอาตะกะแตนมาทอดกินเนี่ยตัวเลี้ยงนะอ่าวันนี้หลังละหมาดวันศุกเลี้ยงตะกะแตนทอดกินได้แต่ว่าไม่กินก็ไม่ผิดไม่กินไม่ผิดแต่กิน่ะกินได้แต่ไม่กินก็ไม่กินไม่ผิดเพราะปรากฏว่าในฮิริสซอฮีย์อบียากูบอกว่าฉันได้ถามอับดุลละอิบนุอบีอัลฟาเกี่ยวกับตะกะแตนพอเราได้ออกสงครามไปร่วมกับท่านนบีเ็วันปรากฏว่าพวกเรากินตะกะแตนคือจริงๆเนี่ยต้องรู้ก่อนว่า ที่ที่กินเนี่ยไม่ใช่กินอาหารปกติคือมาอยู่ในภาวะสงขาไม่มีอะไรจะกินก็เลยต้องกินตะกั่นแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ปกติก็ไม่ได้กินกันหรอกชาวมาดินนะก็ไม่ไดเอามากินกินเนื้อกินไข่กินนมงานก็เลยไม่เป็นที่แพรหลายนะไปมักกะไปถวากะแตนทอดกินหน่อยไม่เจอหรอกแต่ไม่เป็นอยีสตแค่นั้นแหละส่วนคําว่ากุมมันกุมมันแปลว่าเห่าเนี่ย หรือสัตว์ที่คล้ายๆกันกับแมลงที่ออกมาจากข้าวสาลีอิมโนบารบอกว่าอัดดูเบรคล้ายๆกับตะกตแตนตัวเล็กๆและไม่มีปีกแมลงสีดําตัวเล็กๆอ่ะเดี๋ยวเล่าเลยนะเป็นเรื่องมีรายงานจากอิมโนจารีตบอกว่าอย่างี้มูซาเนี่ยได้ไปหาฟิร์อนุนและเขาก็กล่าวแก่ฟิรอูนว่าขอท่านได้ส่งบดีสรออีนไปกับฉันเถิด แต่เขาเนี่ยไม่ยอมส่งและอัลลอฮ์ก็ได้ทําให้เกิดน้ําท่วมใหญ่แก่พวกเขาโดยที่ฝนตกหนักเกิดน้ําท่วมเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพืชผลธั ญ, ญพืชและทําให้พวกเขาเนี่ยกลัวมากพวกเขาจึงกล่าวแก่มูซาว่าขอท่านได้ขอต่อร์ให้ปลดเปื้องเรื่องน้ําท่วมแก่พวกเราได้เถิดเราจะศรัทธาต่อท่านและจะส่งวงวานอิสรอิลไปกับท่านและมูซาก็ขอต่อร์ให้น้ําให้น้ําเนี่ย หยุดตกให้ฝนหยุดตกให้หยุดให้หยุดน้าท่วมแต่พวกเขาศรัทธาไหมไม่ศรัทธาและไม่ยอมปล่อยอิสโอลนไปและในปีนั้นเองเนี่ยพืชพันธุ์ธัญพืชก็งดงามทําไมมันงดงามละ่ะก็รมกิฟฝนมันตกใช่ไหมก็ออกงดงามใหญ่เลยคราวนี้ก็ดีใหญ่เลยหญ้าก็ออกอในปีนั้นธัญพืชมีผลไหม หญ้าที่ไม่เคยงอก ง, งามก็จะเดินไปอย่างดีเพราะน้ำเพราะหลังจากฝนหลังจากน้ําท่วมพวกเขาก็ได้กล่าวว่าเราคาดหวังว่าเอาลอสจะส่งเราเราก็มีความคาดหวังว่าจะอยู่ดีกินดีจะไม่เจออะไรแล้วพอกําลังปลูกอย่างงามเลยพืชพันธุ์กําลังดีเลยเออลอสส่งอะไรมาฝูงตะกะแตนมาทําลายหมดเลยมากินเกี้ยงหมดเลยนะเมื่อพวกเขาเห็นร่องรอยเช่นนั้น ว่าผลว่าผลไม้ที่เขาปลูกพืชพันธุ์ต่างๆปลูกเจอตะกะแตนทำความเสียหายจํานวนมากเนี่ยเลยกล่าวกับมูซาว่าขอต่อรอดให้ปลดเปื้องจากฝูงตะกะแตนนี้ได้ไหมนะแล้วเราจะศรัทธาและปล่อยองค์วัย์สลออีนไปอีรอบเดิมแลมีมูซาก็ขอดอาทิศตะกะแตนก็ไปนะหลังจากที่พวกเขาเก็บเกี่ยวพืชผลแล้วเพราะว่ามันก็ยังมีบางสวนที่ยังไม่ถูกตะกระแตนกินนะพวกเขาก็คงว่าคงไม่มีปัญหาเลยละอีละดื้ออีลว พอตะกั่นพ้นไปไปอยู่ในบ้านพักอาศัยตอนนี้เก็บเรียบร้อยนะอยู่ในบ้านหมดแล้วพืชผลอยู่ในคังหมดแล้วอ่าฟิตโอนอหลังจากนั้นไรบ้านของพวกเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยกระห่าวหาว เ, เข้ามาบ้านเออห่าวมอดนั่นแหละหมอดก็ได้เออมอดมอดมากินพืชกินข้าวเออมอดแต่มันกัดคนด้วยนะกัดคนด้วยมากัดทําให้เกิด คันเกิดเลยด้วยมอดด้วยเอาละมอดมอดเหาเนี่ยแหละพอๆกันเคยอย่างนี้นะ ใ, ในในรายงานเนี่ยในในในแปลเนี่ยเขาแปลว่าเหาแต่พอเวลาตับสีเด็กเขาก็บอกว่ามันมันออกมาากันจะพืชอหมมากินพืช น, นั้นกินพืชเนี่ยเราก็เข้าใจเราเป็นมอดแหมแต่และมันมันคือสัตว์ลักษณะสีดำเป็นเม็ดดำๆเหาสีดำไหม เออดำนั่นแหละกินเลือดไอ้ น, นี่กินพืชต่อเนะมันก็สร้างความลําบากให้ประผู้คลและก็ยังทําอันตรายต่อบ้านเรือนด้วยรู้ไหมมันกินเหล็กด้วยนะไอ้ตัวเนี้ยมันกินมันกินธรณีประตูเดี๋ยฟังให้ดีเมื่อภูเขาทนไม่ไหวก็ขอคือไ อ, ไอ้ไอ้พวกประตูเนี่ยมันจะมีตัวข้อต่อไอ้ตัวเนี้ยเมงตัวเนี้ยมันกินไอ้พวกข้อต่อเนี่ยประตพูพังหมดเลยนะแล้วมันก็เข้าไปกินข้าวไม่รู้ตัวอะไรเนี่ย ปลแล้วมาอีแล้วปวกออีแล้วเออไม่รู้ตัวอะไรที่มันทีนวานมันกินได้หมดเลยนะกัดคนก็ได้กินพืชพันธุ์ก็ได้และกินธรณีด้วยมาตรงประตูมันกินหมดเลยเอาัารวบวอรวัด ล, ล, ล, ลำแต่ขอให้มันไม่มีอดีตแล้วแต่เข้ามาบ้านเรายุ่งเลยนะอ่าได้สร้างความลําบากและมันยังเป็นอันตรายต่อ บ, บ้านเรือนของพวกเขามันกินบ้านด้วยเนี่ยไม่รู้ตัวอะไรเนี่ย และโมขาทนไม่ไหวก็ขอกระนบีมูซาขอให้ปลดเปลื้องจากเรื่องนี้แล้วก็ไอตัวนี้ยก็พ้นไปหลังจากนั้นเราก็เราก็จะศรัทธาต่อลอแล้วก็ปล่อยอรากลว่าเป็นไงพราะขจัดไปแล้ววันนี้ก็ไม่ยอมศรัทธาอีกหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ส่งกองทัพกบมากบมาเยอะขนาดไหนรู้ไหมกบเนี่ยนะเข้ามาในเมืองจนกระทั่งมันทับกันเนะี่ย เป็นชั้นๆเนี่ยจนกระทั่งถึงเข่าของผู้คนที่บอกซ้อนกันจนกระทั่งมันกระโดดขึ้นมานะถึงเขา่าพออ้าปากเท่า น, นั้นแหละมันกระโดดเข้าปากเลยมาได้มาตัวสองตัวเขาเด็กมาแบบลองจินตนาการดูเลยเออบางคนบอกว่ากบมันจะทรมานยังไงวะ มีกบในทรมานไงก็เนี่ยถ้ามีขนาดเนี่ยลองคิดดูดิเดินไปไหนเนี่ยมันตกระโดดเต็มตัวไปหมดขึ้นไปเข้าปากโอ้โหมันคนดนักขยะขยงหน้าโดยฉันนึกภาพะนะอ่าไม่เหมือนกระต๊ตกระตโต น, นี่มันขังโคกกบก็กินไม่ได้จ้ากินไม่ได้ทั้งหม ด, มดแต่คนนอนมุสลิมเขากินกบ ก, บกินกบก็กินองึงอึงอางเขากิน ทางโคกมีเส้นเมาไงกินหมดแหละคนไทยเราอิสลามเราห้ามแล้ว ก, กินไม่ได้กระตงกระเตะกบอะไรกินไม่ได้คิดดูดิขนาดเวลาอ้าปากจะพูดคุยมันโดดเข้าปากเลยพวกเขาก็อดทนไม่ไหวขอร้องให้นบีขอร้องให้มูซาขอต่อรอให้เอาออกไปให้เอากบพวกนี้นะออกไป เราก็จะศรัทธาและปล่อยบริสรลอินไปพอนบีมูซาขอไอ้กบนี่ก็หายไปพวก น, นี้ก็ไม่ศรัทธาอีกคราวนี้ดำดำเกินเลเลือดมาสุดท้ายแล้วนะหลังจากนั้นอลัลลอ์ก็ให้แหล่งน้ำเนี่ยเต็มไปด้วยกับเลือดสีแดงจ้าแม้กระทั่งภาชนะที่ใส่น้ำอยู่ยังเป็นสีเลือดทั้งหมดโอ้โห ผู้คนก็มาร้องเรียนต่อฟิโตนว่าขณะนี้เราถูกทดสอบให้น้ำกลายเป็นเลือดน้ำดื่มไม่มีที่จะดื่มไม่มีน้ำจะกินแล้วเป็นเลือดหมดเลยแล้วมันก็เหม็นด้วยแหละเน่าฟิโตนจึงกล่าวว่านี่เป็นเพียงมายากรของมูซาดูก็มันดื้อสุดๆจริงๆนะมันโดนไม่เท่าไหร่มันไม่เชื่อพวกเขาจึงกล่าวตอบไปว่าจะเป็นมายากรได้อย่างไรใครเล่นมายากร น, นี้เนี่ย เปลี่ยนให้น้ำเป็นเลือดหมดเนี่ยในเมื่อเราพบว่าภาชนะที่ใส่น้ำอย่าคิดว่าที่แม่น้ำอย่างเดียวนะไอ้ที่เก็บเอาไว้สมมติมีมีใบน้ำใส่ไว้ในเจกันใส่น้ำอะเป็นเลือดหมดเลยพวกเขาก็มาขอร้องให้มูซามาขอให้มันผ่านพ้นไปแล้วแล้วเขาก็จะศรัทธาและปล่อยพวกบดีโซลีนไปสุดท้ายก็ไม่ศรัทธาอีก น, นะ สรุปก็คือทํำยังไงก็ไม่ศรัทธาอันนี้เขาบอกต่อแน่ว่าไอ้ฝูงตะกะแตนลงมาเลี้ยมันก็ได้กินรากหมากจนเสียหายแม้กระทั่งหมุดประตูที่ทําจากเหล็กอันนี้ตะกะแตนขอโทษทีตะกะแตนเนี่ยกินหมุดประตูที่ทําจากเหล็กด้วยไม่ใช่เหาเมื่อกี้เหาหมอดนั่นแหละประมาณเดียวกันกินหมดเพราะในนี้บอกว่ามันกัดด้วยนะไอเหาเนี่ยอืมกัดไหม อฝูงเหาเข้าไปในบ้านของพวกเขาก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้มีรายงานว่าอัลลอฮฺได้สั่งใช้ให้มูซาเนี่ยเดินไปที่กองทะเลทรายและเมื่อไม้เท้าฟาดลงในกองทะเลทรายทันใดนั้นฝูงเหาก็แตกกระจายกลายเป็นทรายหมดเลย น, นี่ก็เป็นรายงานที่มีเขียนเอาไว้นะครับนะอ่ะประมาณนี้น้ำกลายเป็นเลือดมั่งอะไรมั่งวักน้ำขึ้นมา กลายเป็นสีเลือดหมดเลยกลายเป็นเลือดสีแดงหมดเลยไม่ใช่เป็นสีเลือดนะเป็นเลือดเลยโอปิโนเราคิดดูดิดื่มน้ําในตูยต้ยุงตู้ยงกลายเป็นเลือดหมดอ่านต่อหน่อยฟาตากนามินหุมฟาเอรอกาะนาหุมฟิลยามีบีอันนาหุมกะดะบูบีอาตีนา bi anhum كذبوا بآياتنا b كذبوا بآياتنا و كانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون คือผู้ที่ต่ำต้อย แต ع ก ف ะฟูนมาชา الأرض و َ م غار ิบ ت ที่เราป ك ะทา ا ف นนั ว่าทั้งหมดคำทูรับบิَัลพุสนะอลาบานีอิสราอีลาบิมาซาบารู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 หลังจากโดนบทบทลงโทษนะครับเขาเรียกอะไรส่งส่งมานะเครื่องหมายต่างๆมาก็อย่างที่ทราบดีสุดท้ายเนี่ยพวกนี้ก็จมน้ำตายไม่มยอมสัทธานะฟันตอกอมนามินหุม้มและเราได้ลงโทษพวกเขาโดยให้พวกเขานั้นจมน้ำในทะเลตายหมดเลยฟากรอกอนานหะุ้มฟิลยม เนื่องด้วยโดยที่จมน้ำในทะเลบีอันนาฮุมเนื่องด้วยจากอะไรกัซาบูบีอายาตีนาะเขาปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราวาการูอันฮากอฟิลินและพวกเขาก็ได้กลายเป็นผู้ที่ไม่ใส่ใจต่อสัญญาณต่างๆเหล่านั้นคขาเด็กโกรฟิลินหมายถึงคนที่หลงลืมวาเอาร์รัสนาเกอมาเลดีนาการูยุสตอบอาฟูนและเราได้ให้เป็นมรดก แกกลุ่มชนที่เคยอ่อนแอที่อยู่ในทิศตะวันออกของแผ่นดินและทิศตะวันตกของแผ่นดินอันเป็นแผ่นดินที่เราได้ให้ใหมีความจำเริญนั้นอ่ามาอริปมาชาริกแปลว่าทางทิศตะวันออกแลกว้วก็ตะวันตกอัลเลติบารกนาฟีฮาอัลลอฮ์ให้มีความจำเริญในแผ่นดินตรงนั้นวะตัมมัตกาลิมาตุรับบิกะฮุสนา และด้วยถ้อยคำพระผูอ้อภิบาลของเจ้าอันสวยงามยิ่ง <c oughs> ตำมัดแปลว่าครบถ้วนแล้วเกเบนิสรออินบีมาซอบารูเนื่องจากพวกเขาทด่มีความอดทนก็ตอนนู้นไงอดทนต่อการถูกกดขี่ข่มเหงของเนองบนิสรอ อ, อของฟิรโรนเอาล็อกก็ให้ขบูรณ์แล้วณนะตอนนู้นนะไอตอนนี้ก็คนละเรื่องดื้อ ยาฮุดไอ้ตอนนั้นก็นอันนี้แล้วแล้วเราก็ได้ทําลายสิ่งที่ฟิด์อาลและพวกพ้องของพวกเขาได้กระทาไว้ดัมมัตแปลว่าทําลายสิ่งที่มันสร้างเอาไว้และสิ่งที่พวกเขาได้ก่อสร้างไว้ด้วยอ่ามาดูนิดนึงนะจบละอัลลอฮ์ได้ทรงแจ้งให้ทราบเมื่อฟิน์อูและกลุ่มชนของเขาได้ฝ่าฝืนและดื้อรัน้นทั้งที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบหลายครั้งต่อเนื่องกันเนี่ยอัลลอฮ์จึงลงโทษพวกเขาจมน้ําตายในทะเล โดยที่บรโอมมีคําสั่งให้นบีมูซาเนี่ยเอาไม้เท้าฟาดลงไปในทะเลแล้วน้ําทะเลก็แยกเป็นทางเดินทําให้ท่านและก็วงวัยอิสาราเอลเนี่ยหนีข้ามทะเลไปได้อีกฝั่งหนึ่งและเมื่อฟิโอนและยกและทหารเหล่านั้นก็ตามลงไปไล่ตามไปพอฝั่งนู้นขึ้นหมดฝั่งนี้ก็เป็นไงโดนทะเลปิดแล้วก็ท่วมทําให้พวกเขาตายกันทั้งหมดอันเนื่องจากการฝา่าฝืนและไม่เชื่อ ในสัญญาณต่างๆของ Allah, ล Allah, อตาลาอลลาจงบอยทราบว่ากลุ่มชนนี้ได้รับการช่วยเหลือทั้งด้านที่ตะวันออกและที่ตะวันตกของแผ่นดินก็คือกลุ่มชนที่เคยอ่อนแอมาก่อนในในอะไรนะในวงวานอิสราเอลอัลฮัสซันอันบัสรีกอตาดาบอกว่านั่นก็คือแผ่นดินชามนั่นเองเมืองชามจ้าซีเรียตอนเนี้ยที่มันกําลังรบกันอยู่เนี่ยอิสราเอลเลย บอดีสไตล์นี่แหละนี่แหละแผ่นดินชามเป็นแผ่นดินที่มีความจำเรินนะเพราะว่าอากาศเองอากาศก็ดีนะตรงนั้นมีหิมะด้วยนะอ่ามีหิมะด้วยแล้วก็พวกพืชพันธุ์ปลูกดีมากนะ้ำมันไอพวกมะกอกมะเดืออะไรตัวนั้นนะ่ปลูกพืชดีแล้วก็น้ำอากาศดีสมบูรณ์ทำการเกษตรได้ดีมากซึ่งตรงกันข้ามกับมักกะสดุดีไ อ, ต ร, ไอตรงนี้นี่ยแห้งไอตรงโู้นน่ดี อาจจะมีน้ำมันไงเขาเล่าให้มีน้ามันอการที่อเลตายและได้ทําลายพวกเขาก็คือให้มันสิ่งที่ปลูกสร้างทั้งหมดนะก็พังทลายไปแต่ก็ยังเหลือพีระมิดให้ดูเป็น ต, าตา่างๆขณะต่างหน้าให้เห็นความยิ่งใหญ่ของมันะแต่ก็ทำแต่ทำลายไปเยอะแล้วนะจริงมันเยอะใหญ่กว่านี้เยอะอะตัวนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาอ่านกันต่อในร้อยในร้อยสาสิบแปด Subhana k a l a h u m m a bihamni k a s l a ilah ilah ta'astafulka watobi ta lay Assalamualaikum warahmatullah i wabarakatuh.